ข้าคงก็ไก่ตื่นปักปักปักกระตาปักปักปักกระตาขอสิบอกสิผููดีๆสิพี่เอ๋ยนี่เพี้ยเลยขลุบเลยไก่ไม่เคยก็ไก่ตื่นปักปักปักกระตาปักปักปักกระตาเราแค่คนชอบกันนั่งมองกันก็พออยากได้อะไรก็ขอฉันจะให้และไม่คัดคืนขอเจ้า เบียดหนาเขาไม่ว่าดอกข้อสามชื้นมีไม่พูดรำพี่ทำแต่เพลงพอเริ่มบันเลงพอสนก่อนตืนว้าแขนจับขาต้อนหน้าเดึงหลังปลอบบ้างคู่บ้างเลยไก่ตื่ปักปักปักตปักปักปัตาจีบสาจีบสาคอยโนมหน้าพูดแล้วโลงนีรักโคลงจีบโคลงรีบพับโค้งก็ ไปก็ไก่ตึ่นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาทุ่งเงินไก่กองให้ซอยทองเลืองๆอย่างมากก็เส้นละเฟืองแล้วเดินเรื่องชวนเที่ยวกลางคืนพายัมดิสโกพาโชน์ในคลับพานั่งไอที่ลับลับขยายขยับรูปไม้ตื้นตื้เบียรไทยแล้วนอกกลอบเราจะงอมแล้วก็เตรียมพร้อมจะทํายอะพื้นต้มไก่หมอมไก่ไก่ยังไม่เมาอุ้มไก่ข้าเหล้า ซอยทองเลือดเลือดยังมากก็เส้นละเฟื่องแล้วเดินเรื่องชวนเที่ยวกลางคืนพายัมดิสโก้พาโชว์ไหนครับพานั่งไอที่ลับลับขยายขยับลูกไม้ตื้นตื้นเบียร์ไทยแล้วนอกกรอกเราจะงอมแล้วก็เตรียมพร้อมจะทำยะอย่างอื่นต้มไก่หมอมไก่ไก่ยังไม่เมาอุ้มไก่เขาเล้าเลยไก่ตื่น